ผู้ท้วยสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการโดยมีพระไพบูลย์ค่ะกราบน้อมสกาลกับท่านค่ะยาบาลฮะเราก็พูดถึงเรื่องของเวลา จะทําอย่างไรที่จะให้การที่แล้วเกิดปฏิทีนี้มาถึงวันเนี้ยกันค่ะเทพวันหนูคิดว่าวันหยุดศรัทธาเราคิดอ่านรกกับ เป็นอย่างไรฮะทั้งทาเอ่อนรกนรกก่อนเนาะนรกคือสถาน นั่นก็คือเราจะรับรู้สิ่งภายนอกได้ก็ผ่านทางเออมันก็มีทั้งนรก ที่เป็นภพที่ว่าเราจะไปเกิดในนั้นได้นะซึ่งๆอันนี้เป็นลักษณะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นะอาทิตย์นึงได้กินข้าวแค่ 2 มื้อนั่นคือวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีแล้วอดอยากหิวโหยนะแม่ก็จะถูกถูกแม่เตะเรียกให้ขึ้นไปขอทานท้องก็หิวเสร็จแล้วก็ขอทานเดินไปขอทานก็ไม่ได้ถูกเค้า กระเบื้องกลับมาถึงบ้านตัวเองถือมาขอทานก็แตกกลับมาถึงบ้านขอ อ่ะอย่างที่ว่าเค้าอธิบายกันถึงๆฟังอย่างรายการนี้เป็น นะทุกคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปทํางานเอ่อเจ้านายก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีๆดูนะอาบน้ําสบายแล้วก็นอนไปนอน ค่ะแต่ละมังต้องการจะเปรียบเทียบตรงที่ว่าอย่างเด็กแอฟริกาที่พูด น่ะคือคือมันไม่มีความสุขเลยคือคุณไม่มีเวลาแม้ไปห้องน้ํา มีความสุขตลอดไม่มีความทุกข์เลยไม่มีเลยอืมค่ะมันเลื้อยๆกันนะค่ะอ่าทีนี้อ่าท่านมีอะไรมั้ยคะถ้าไม่มีเดี๋ยวดิฉันจะขอแสดงความเห็นบางประการคือท่านก็บอกว่าในทางธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ได้ยกอ่าถ้า จะเจอแต่ความไม่ใช่หรือว่าอ่ามีบ้างไอ้น่าพอใจแต่มันที่น่า ในส่วนที่เป็นโลกของความเป็นจริงของเราเนี่ยอยู่ ตัวตามเพราะบางทีไปเที่ยวที่ดีๆอย่างเงี้ยโอ้โหรู้ <c oughs> เพราะว่าคนที่ไม่รู้นิยัสสิเนี่ยจะมาหาความสุขในใจจะมาค่ะมันเข้าใจว่าเอ่อมนุษย์เนี่ยมี ปุตปัญญาเอ่อคนที่ใกล้ชิดก็ถ้าอยากให้เกิดสวรรค์อยู่ใกล้ๆก็ลองถามตัวเองว่าเราปรับตัว ก็คือคนที่ถ้าไม่รู้ตัวเองมีปัญหาอะไรเนี่ยจะอย่างกรณีที่คุณโยมตัวนะเราจะมีความสุขในทางตา 2 ประเภทคือ อกาม 5 อย่าง 5 ที่ 1 กับ 2 คือความกามนั่นคือมี 2 ประเภทเอ่อซึ่งไอ้ความ บ่อยอเมริกาไม่ดีเดี๋ยวเราเริ่มมีปัญหาล่ะซึ่งซึ่งมันก็มันมันเปื่อยแปดเปื้อนได้ง่ายมันเสื่อมไปได้ง่ายมันมีโทษมากพวกนี้นั่นเองนะเราก็อย่า เอ่อสวรรค์เอ่อพรหมน่ะค่ะวันนี้ก็เลยชี้ ที่มันไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นนรกมากขึ้นขึ้นถึงวิธีทํา 6 อย่างอ๋อค่ะเอ่อตัวอาตมา 1 นั่นก็คือ 2 ทํา วันนี้บอกทางสวรรค์ให้แล้วทําหน้าที่ละสบายใจละค่ะทางสวรรค์ตามแนวทางของพระ งั้นท่านขอที่เหลือนี้บอกวิธีทําสมาธิง่ายๆให้ผู้บรรทุษหน่อยค่ะ แล้วอยู่มีความปราโมทย์มีปราโมทย์แล้วมันก็จะมีความสุขนะมีปราโมทย์แล้วค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าท่านคิด ท่านไม่เข้าใจท่านอาจอ่าแดนที่มันควรค่ะวันนี้นมัสการ กราบนั้นเราถือว่าล้ําค่ามากนะคะ